กำหนดว่าผู้ที่นั่งในที่ไม่ควรนั่งเช่นใดไปในที่ที่ไม่ควรไปเช่นใดคบคนเช่นใด อันเรียกว่าปาเปมิตรคือมิตรชั่วก็ให้งดเว้นอาสนะที่ไม่ควรนั่งเช่นนั้นที่ที่ไม่ควรไปเช่นนั้นงดเว้นมิตรชั่วที่ไม่ควรครบเช่นนั้นเสีย พิจารณาดูในข้อนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าสัตว์บุคคลสถานที่ทั้งปวงติดตรัสสอนให้งดเว้นเช่นนั้นควรงดเว้นจริงๆ เพราะเมื่อไปสู่สถานที่เช่นนั้นคบกับบุคคลที่เป็นปาประมิธเช่นนั้นหรือแม้ว่านั่งในที่ที่ไม่ควรนั่งเป็นต้นดังที่ตรัส ตอนให้งดเว้นนั้นย่อมจะเกิดอันตรายได้ย่อมจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่างๆได้ย่อมจะถูกชักนำไปในทางที่ผิดได้และ จะทำให้เกิดความกังวลห่วงใหญ่ในอันที่จะป้องกัน ร, รักษาหรือถ้าต้องต่อสู้ก็จะต้องล่วงศีลเป็นต้นหรือต้องกระทำการที่ไม่เหมาะสม ต่อภูปฏิบัติธรรมะอีกด้วยและการไปในที่นั้นที่มีสัตว์ร้ายต่างๆหรือแม้ว่าไปในสถานที่ที่มีหลักตอขวาน้ำบ่อเหว ที่สกปรกย่อมไม่เป็นสัพายะในการที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างไรจะเกิดอันตรายและเมื่อไปนั่งในที่ที่มีคนนั่ง ก็เป็นความไม่เหมาะสมและจะเกิดความยุ่งยากไปในที่ไม่ควรไปก็เช่นเดียวกันยิ่งไปคบปาปมิตรมิตรที่ชั่วที่ผิดก็ยิ่งจะถูกชักนำไปในทางที่ชั่วที่ผิด หรือถูกกล่าวหาว่าครบคุณชั่วเป็นมิตรต้องถูกระแวงสงสยัยเพระฉะนั้นจึงไม่เป็นสัพปายะแกผูปฏิบัติเพื่อละอาสวะทั้งหลายเมื่อมุ่งปฏิบัติเพื่อละอาสวะ หรือกล่าวรวมๆ ว, ว่ามุ่งปฏิบัติธรรมก็จำเป็นที่จะต้องละสัตว์บุคคลสถานที่เป็นต้นอันไม่เหมาะสมเช่นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ยินดีในเสนาสนะป่า ให้เสพที่นั่งที่นอนอันสงบสงัดให้พอใจคือที่อันสงบสงัดก็จะต้องหมายความว่าสงบสงัดปราศจากสัตว์ไร้ต่างๆ ที่จะทำอันตรายได้และต้องเป็นที่ที่ไม่มีขวาน้ำหลักตอที่จะเป็นอันตรายไม่มีบ่มีเหวที่จะเป็นอันตรายได้ง่ายและ ไม่เป็นที่ประกอบด้วยน้ำครามเหม็นครุ้งไปหรือไม่เป็นสถานที่สกปรกต้องเป็นสถานที่ที่สะอาดประกอบด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ปราศจากกลิ่นที่สกปรกทั้งหลาย ทั้งต้องเป็นที่นั่งที่นอนอันควรนั่งควรนอนไม่ใช่ว่าไม่ควรนั่งไม่ควรนอนและต้องเป็นที่ที่ควรจะไปได้ไม่ใช่เป็นที่ที่ไม่ควรจะไปซึ่ง เมื่อไปเข้าแล้วก็ยอมจักไม่ประสบความเก้านานในการปฏิบัติทนเกิดตรายเป็นดังที่ปรากฏว่ามีพระภิกษุสมณนนีผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งแต่จะไปปฏิบัติในเสนาสนะป่าเมื่อเดินเข้าไปในเสนาสนะป่า มีชาวบ้านห้ามว่าเป็นทินอันตรายก็ยังเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าต้องไปเป็นอันตรายจริงๆก็มีเป็นตัวอย่างอยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นที่ที่ปราศจากอันตรายด้วยและนอกจากนี้ก็ต้องเป็นที่ที่ มีกัลยาณมิตรคือเพื่อนมิตรที่ดีงามเมื่อมุ่งไปปฏิบัติธรรมในที่ไหนในที่นั้นก็ต้องมีอาจารย์ซึ่งเป็นภูประพฤติธรรมสั่งสอนทมได้ล้วมีเพื่อนมิตรที่ปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่อเป็นดังนี้แล้วยึงจะมีสปายะคือมีความผาสุกสบาย ทำให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งซึ่งเมื่อมุงที่จะปฏิบัติธรรมะหรือกล่าวในที่นี้ว่าปฏิบัติเพื่อละอาสวะก็จะต้องปฏิบัติงดเว้นในสัตว์บุคคลสถานที่ ที่พึงงดเว้นดังที่ตรัสสอนเอาไว้และต่อจากนี้พระบรมศาสด า, า, าได้ตรัสสอนหอาสวะโดยวิธีที่เรียกว่าบรรเทาก็คือต้องปฏิบัติ บันเทาอากุศน ล, ลวิตกคือความตึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายอันมันเกิดขึ้นในจิตใจโดยที่ไม่รับเอาไว้ในจิตใจ อากุศลนวิตกทั้งหลายบังเกิดขึ้นก็ต้องปฏิบัติบรรเทาระ ง, งับดับให้หายไปให้สิ้นไปให้หมดไปไม่รับรักษาเอาไว้ในจิตอันอากุศลนวิตก ค, ความตึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายนั้นก็ได้แก่กามวิตกความตึกนึกคิดไปในกามพยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดไปในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกความตึกนึกคิดไปในทางเบียดเบียน กามวิตกนั่นคำว่ากามเป็นิเลสแปล ว, ว่าความใคร่หมายรวมถึงกิเลสที่เป็นไปในทางเดียวกันนี้เป็นต้นวราคะ ความติดใจรักใครยินดีตัณหาความดิ่นรนทยานอยากไปในทางกรรมที่เป็นชื่อของกิเลสดังนี้เรียกว่ากิเลสกรรมกิเลสอันเป็นเหตุให้ใคร เป็นชื่อของวัตถุก็ได้แก่วัตถุคือสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายก็รวมเข้าในรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้สาบ รถที่ลิ้นได้ทราบสิ่งถูกต้องที่กายได้ถูกต้องตลอดจนถึงเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสพทธพะคือสิ่งที่กายถูกต้องเหล่านี้ที่บังเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นในจิตใจ ก็รวมเรียกว่าวัตถุกรรมพัสดุที่น่ารักใครปรารถนาพอใจทั้งพัสดุกรรมนี้เป็นพัสดุกรรมขึ้นก่นโดยอำนาจของกิเลสกามกิเลสกามนั่น เมื่อบังเกิดขึ้นในวัตถุอันใดจะเป็นรูปก็าตามเสียงกลิ่นรสผลิตภัก็ากาตามวัตถุอันนั้นก็เป็นวัตถุกรมขึ้นมาเมื่อกิเลสกรารมให้บังเกิดขึ้นวัตถุทั้งปวงก็เป็นวัตถุอยู่เฉยๆเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลธภัอยู่เฉยๆ ไม่เป็นวัตถุกรรมยกตัวอย่างดังเช่นสามั ญ, ญชนหรือบุตุชนทั้งหลายเมื่อได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้สัมกลิ่นได้สัมรสได้สัมโสพพะอันใดอันหนึ่งก็เกิดกิเลสกามขึ้นใน สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นวัตถุ ก, กามขึ้นมาส่วนพระอระหันต์ทั้งหลายซึ่งเป็นภูละอาสวะกิเลสได้สิ้นแล้วท่านเห็นอะไรได้ยินอะไรได้สราบกลิ่นทราบรสทราบผหทัปะอะไร ก็ไม่เกิดความรักใครยินดีปรารถนาต้องการกิเลสกามขึ้นในสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นวัตถุกามของท่านแต่เป็นวัตถุเฉยๆคือเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิน่นเป็นรสเป็นผลพภะที่ท่านในเห็นท่านในยินท่านในทราบทางอายตนะ ผูปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติระงับจิตใจของตนได้โดยอํานาจของศีลสมาธิปัญญาเมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรได้ทราบอะไรทางอาชจตนะก็ไม่เกิดกิเลสกามขึ้นในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เป็นวัตถุ ก, กับของผู้ปฏิบัติธรรมนั้น พราะฉะนั้นวัตถุที่จะเป็นวัตถุกามขึ้นก็โดยอํานาจของกิเลสกรรมและกิเลสกามที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลเป็นกิเลสกองราคะกิเลสกองกา ม, มาตัณหา ก็ตามการรวมเข้าในกิเลสกองกามนี้มันเกิดขึ้นได้ก็โดยอำนาจของความดำริความตรึกนึกคิดนี้เองเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตรัสเอาไว้ว่าสังกัปปาราโกปุริสัทสกาโม ที่แปลว่าราคะคือความติดใจยินดีขึ้นจากสังกัปปะความดริเป็นกามของบุคคลดังนี้เพราะฉะนั้นสังกัปปะคือความดำริหรือวิตกคือความตึกนึกคิด ซึ่งในที่นี้มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันจึงเป็นสิ่งสำคัญนำให้บังเกิดกามขึ้นได้และเมื่อบังเกิดเป็นกามขึ้นมาแล้วก็เรียกว่ากามมาวิตกแปล ว, ว่าความตรึกนึกคิดไปด้วยอํานาจของอิเลสกาม ก็ได้ความตึกนึกคิดไปในวัตถุกรรมคือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิภัพ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายก็ได้เพราะฉะนั้นความดำรินี้จึงเป็นสิ่งสำคัญหรือว่าวิตก คือความตึกนึกคิดนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งคนเรานี้เองเป็นภูปรุงขึ้นเพราะฉะนั้นจึงรวมเข้าในขันห้าข้อสี่ที่เรียกว่าสังขารที่แปลว่าความปรุงคิด หรือความคิดปรงุงก็คือจิตนี้เองนำเอาสิ่งที่จับได้อเรียกว่า ส, สัญญาอันเป็นขันข้อที่สามมาปรุงคิดหรือมาคิดปรงุง เพราะฉะนั้นในคำวมาสังขารที่แปลว่าความปรุงคิดหรือความคิดปรุงนี้จึงประกอบขึ้นด้วยจิตประกอบขึ้นด้วยอารมณ์หรือเรื่องที่จำได้ซึ่งความจำนั่นก็คือสัญญา รถถ้าจำไม่ได้คือไม่มีสัญญาแล้วก็เอามาปรุงคิดไม่ได้จะต้องจำได้คือจะต้องมีสัญญาก็เอาสิ่งที่มีสัญญาคือจำได้นั้นมาปรุงคิดเป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องนี้เป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้มาปรงุงกันเข้าเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสังขารในขันห้า ึงเป็นขันข้อที่สความปรุงคิดหรือความคิดปรงุงอันนี้แหะคือวิตกความตึกนึกคิดหรือสังกปะความดำริก็คือความคิดปรงุงหรือความปรุงคิดนี้เองเมื่อปรุงคิดขึ้นให้เป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นได้ เมื่อปรุงคิดขึ้นให้เป็นกามกามก็บังเกิดขึ้นคือตัวราคะความติดใจ ย, ยินดีจึงเป็นลักษณะของกามที่แปลว่าความใคร่ความปรารถนาและยังเจอด้วยความเพลิดเพลินยินดีชุ่มชื่น อยู่ในราคะหรือในกามเหล่านี้อันชวนให้จิตใจคิดปรุงหรือปรุงคิดไปและความคิดปรุงรือปรุงคิดไปนี่ก็บังเกิดขึ้นซับซ้อน กันอยู่เป็นอันมากเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากามาคุณคำว่าคุณนั้นก็เขียนอย่างเดียวกับคุณงามความดีแต่ว่าคุณในที่นี้หมายถึงลักษณะอาการ ที่ซับซ้อนกันอยู่เหมือนอย่างกลุ่มได้เพราะกลุ่มได้นี้ที่ม่วนซับซ้อนกันเป็นกลุ่มก็เรียกว่าคุณะเหมือนกันกามคุณก็เช่นเดียวกันกามที่ ซับซ้อนกันอยู่เป็นกลุ่มเรียกว่ากามคุณเพราะฉะนั้นเมื่อจิตปรุงคิดหรือคิดปรุงไปในกามและมีความเพลิดเพลินมีความยินดีติดใจก็คิดเรื่อยไปไม่จบเหมือนอย่างกลุ่มได้ที่เป็นกลุ่ม เมื่อคลี่ได้ออกไปก็ยาวออกไปยาวไปยาวออกไปจุดแต่ว่าได้ที่มามนเป็นกลุ่มนั้นจะมีขนาดยาวสักเท่าไหร่กามมาคุณก็เหมือนกันไม่รู้ว่าซับซ้อนกันอยู่นานหรือมากเท่าไหร่ในจิตใจของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเมื่อลองปรงคิดคิดไปในกามแล้ว และแถมมีความยินดีเพลิดเพลินก็ไปกันใหญ่เพลิดเพลินกันไปคิดไปไม่รู้จักจบจากสิน้นเพราะฉะนั้นกามมคุณคือกลุ่มของกามเหมือนอย่างกลุ่มได้คือกามที่ผูกมัดจิตใจของจัตวโลกอยู่นี่ จึงมีกำลังมากยิ่งนักหนาจนถึงกับพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทียบเอาไว้ว่าเป็นอะไรคือเป็นที่อาศัยของจิตที่เป็นกามาพจรคื อ, อยังลงในกามท่องเที่ยวไปในกามทั้งหลาย เหมือนอย่างน้าเป็นที่อาศัยของปลาปลาอยู่ในน้าจิตที่เป็นกามาพจรของสัตว์บุคคลทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเหมือนอย่างอาศัยอยู่ในกรรมคือกามาคุณอันนี้แม้ก็เรียกให้เต็มที่ว่าเบญจพิทะกามาคุณกามาคุณมีอย่างห้าก็ได้แก่รูป เสียงกลิ่นรถพลิตภะคือสิ่งถูกต้องที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายเพราะฉะนั้นพื้นของจิตที่เป็น k ามาพระจรจึงปรงคิดหรือคิดปรงไปในทางการามยืดยาวมากมายอยู่เป็นปกติแหละเมื่อพูดออกมา ก็พูดออกมาในทางกามกันอยู่เป็นอันมากเพราะว่าวาจาที่พูดออกมานั้นก็วิตกวิจาร์ความตร่นนึกคิดนี้เองเป็นเครื่องปรุงให้พูดเพราะฉะนั้นวิตกวิจารพระพุทธเจ้าถึงตรัสแสดงว่าเป็นวจีสังขารคือเป็นเครื่องปรุงวาจา เราวาจาที่พูดออกมานั้นจะต้องคิดก่อนแล้วจึงพูดเมื่อคิดอย่างใดก็ย่อมพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการพูดจาของบุคคลจึงเป็นไปในทางกลางเป็นอันมากตลอดจนถึงการแสดงต่างๆก็เป็นไปในทางกลางเป็นอันมากเจือไปด้วยราคะบ้างโทสะบ้าง โมหะกิเลสทั้งสามกองนี้ดังจะพึงเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่ามโหสพทั้งหลายก็จะต้องเจอด้วยกิเลสสามกองนี้จึงจะเป็นที่สนุกสนานเป็นที่ชอบดูเมื่อการแสดงสามารถยั่วย่าใจของบุคคลดู ให้เกิดราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างได้มากเท่าใดก็เป็นที่จิตติดใจของคนดูมากเท่านั้นทำให้ตาตื่นใจตื่นไม่ง่วงเหงาเหา้านอนดูกันได้เป็นเวลานา น, านๆเพราะว่ามีเชื้อล่อให้เกิดราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างคอยทำใจให้เพลิดเพลินยินดีให้ติดกันอยู่ เป็นอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจะบพงเห็นได้ว่าเมื่อมาฟังเทศฟังอบรมธรรมะซึ่งเป็นไปเพื่อสงบราคะโทสะโมหะเมื่อเป็นดังนี้แล้วจิตใจของผู้ฟังจึงไม่ได้เชื่อที่จะก่อให้เกิดตาสว่างทำให้เกิดความสงบ และเมื่อมีความสงบอยู่เฉยๆปราศจากปีติสุขในความสงบนั้นก็เลยง่วงเงาหาวนอนหลับการที่ฟังเทศหลับหรือฟังธรรมบัรยายหลับก็เพราะเหตุนี้เพราะเหตุวันในเทศหรือในธรรมบัญญายทั้งปวงนั้นเป็นไปเพื่อสงบราคะโทสะโมหะไม่ใช่เป็นไปเพื่อก่อเมื่อเป็นดังนี้จึงไม่สนุก ไม่เพลิดและเมื่อสงบเข้าความง่วงทึงอยู่ใกล้กับความสงบก็เข้ามาทันทีดัะนั้นเรื่องของกามนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นข้อแรกว่าให้คอยระ ง, งับสังกัปปะคือความรำริหรือวิตกคือความปรึกนึคิดไปในทางกาม ซึ่งจัตตวโลกทั้งหลายซึ่งมีจิตอยู่ในชั้นที่เป็นกามาวจรจิต